ที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าละแวกบ้านได้แก่ถนนตรอกตันทางสี่แยกเรือนที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะหยามากาลิกสัตตหะกาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือข้าวสุก ข, ขนมกุมมาดข้าวตูปลาเนื้อภิกษุรับประเคินไว้ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉัน ต้องอภิษฎทุกกฎฉันต้องอบััดปติเทศนยะทุกๆคำกลืน